ขะชะมาโนสิวังระมังคตาดัมมังนามิหังวานิฆมิโยตันหังวาจังพาสติอุตตังวานิภาปนัธาญาวายมันตังนมามิหัง อนัสาสกัตตานังอัตสาสังเทติโยชิโนอนันตคุณสัมปันโนอันตาขามิงนามิหังพระสัทธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงบรรลุแล้วทรงยังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้บรรลุ ด, ด้วย ทรงบรรลุถึงพระนิพพานอันคนยินดีข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมอันบรรลุแล้วพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดออกจากวานะเครื่องร้อยรัตคือตัณหาได้แล้วทรงกล่าวพระวาจาอันเลิศไว้เพื่อประโยชน์แก่การดับไฟคือวานะคือตัณหาเป็นต้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีภาคเจ้าผู้ทรงมีความเพียรพยายามพระองค์นั้น พระชินเจ้าพระองค์ใดโปรดประทานความอุ่นใจให้กับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีความอุ่นใจพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงบรรลุ ถ, ถึงที่สุดแห่งการดับวัตรทุกข์ได้แล้วขอโมทนากระลาท่านทั้งหลายนะที่ได้ตั้งใจในการสดับคำสอนของพระบรมศาสดา ตอนนี้มาศึกษาในเรื่องของกุศลศีลลัคนาที่เจตุกะคือลักษณะรักษณปัจจุบันประทัดฐานาาของกุศลศีลที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจเวลาเหลือประมาณชั่วโมงนิดหน่อยนี่นก็พยายามจะขับเน้นให้ทันนี่นสิ่งที่สำคัญอยากจะกล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้คือหลักการพิจารณา หลักการในการพิจารณาบอกว่า ก, การเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายปฏิฐานหน้าลัคนังเป็นต้นเหล่านี้นะต่อไปเราก็รู้แล้วว่าอินทรีย์ทั้งหลายศรัท ธ, ธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาพละโพชฌงค์อริยมรรคเป็นต้นสีมีลักษณะคือความตั้งไว้ด้วยดีสีนั้นเกิดที่ใจแต่มาจัดแจงให้กายวาจัยเรียบร้อย ไม่ทํากาย ย, า ก, ยา ก, กรรมว จ, จีกรรมให้ร่วงทุจริตทั้งหลายมีการฆ่าสัตว์เป็นด้วยประดุจที่ตั้งไว้ด้วยดีและไม่กระจัดกระจายกายที่มีศีลกํากับดีอยู่แล้วก็ไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายวาจาที่มีศีลกํากับดีอยู่แล้วก็ไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายศีลจึงประดุจ ด, ดังเสาเขียนที่รองรับพระเจดียด์อย่างดีเลยหรือว่าหรือว่าพื้นเทพพระพเจดียด์อย่างดีเลยใช่ไหม ทุสิระยะวิถังสนรสังมีการทําลายความทุศีลเป็นกิจศีล น, นั้นนะนะถจัดเสียเครื่องความทุศีลความไม่สํารวมทางกายทางวาจารวมไปถึงจิตใจด้วยนะจิตใจที่มีเพราะศีนเกิดที่จิตใจนะอย่าลืมนะกุศลศีนเกิดที่ใจใจก็เป็นไปกับการไม่ทุจริตเป็นต้นกิจคือหน้าที่ของศีลก็มีการมีความเป็นธรรมหาข้อตีเตียนไม่ได้ อะไรคือหาตีเตียนไม่ได้สมบัติและความถึงพร้อมภาวะที่เป็นผู้อันใครติเตียนไม่ได้ความถึงพร้อมด้วยภาวะที่เป็นฝ่ายหาโทษไม่ได้ก็หมายความศีลเนี่ยสําคัญกว่าทรัพนะศีลสําคัญกว่าวัยวะศีลสาคัญกว่าญาติมิตรศีลก็สําคัญกว่าชีวิตชนะ้ศีลจึงไม่มีที่สุดหาข้อตีเตียนไม่ได้เมื่อได้โลกิยะศีลนะนะแล้วก็มุ่งพัฒนากามมาวจรศีลเนี่ยนะ พัฒนาขึ้นไปไปสู่โลกีศีนจากโลกีศีนที่เป็นอัปปนาในด้านของถ้าอัปปนาในเวรตีไม่เกิดนะแต่เจตนาศินเกิดนะสังวรศินตัวอื่นยังเกิดอยู่นะความไม่ก้าว่วงทั้งหลายยังเกิดอยู่ แต่ศีลในวิรตีนั้นสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะจะไปประชุมกันในอริยมรรคเพื่อล่าราคาโทสาวโมหะนี้เกิดร่วมกันกับสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาอวิมารสมาสติสมาสมาธิให้ศีลสมาธิสมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะก็เป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นองค์ของอริยมรรคไปประชุมกันในมคจิตรน่นแล้วก็ทํำกิจในการประหารกิเลสเป็นต้นได้อันมาจะเร่งเร่เลยนะตอนนี้โสเจยะปัฏฐานัง คือมีความสะอาดกายวาจาใจนั่นแหละเป็นอาการปรากฏอย่าตั้งใจฟังนะเราจริงๆอะมองวัตถยาบรรยายเร็วเรือมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจเป็นปัจจุบันาะนการแลปัจจุบันฐานก็คืออาการที่ปรากฏกุศลศีลเกิดขึ้นแล้วความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจารวมไปถึงทางจิตใจเป็นต้นก็เกิดขึ้นมาความเป็นผู้มีกายวาจาใจและสะอาดนั่นแหละความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้น ให้สังเกตด้วนะกุศลศีลเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บนเนี่ยนะได้ทันทีก็คือว่าความไม่เดือดร้อนใจเป็นเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นก็ได้ความไม่เดือดร้อนใจเดี๋ยวเนี้ส่วนปราโมดปีตีปสัสสธิความสุขโดยเฉพาะสมาธินั้นจะได้ในการต่อไปเมื่อเราพัฒนากุศลศีลได้อย่างต่อเนื่องแล้วทำศีลกุศลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถจะทําฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาขับเน้นที่จะว่า ศีนะลนกุศลมีเจตนาศีลเจศิกศีลสังวรศีลเป็นต้นโดยจะว่าขับเน้นอวิตกะะรกรรมดูสภาพที่ไม่ก้าวล่วงบาปประคำ ท, ทงกายทำวาจารวมทั้งจิตใจด้วย น, ะนี่นแ่แหละสภาพเหล่านั้นที่ควรจะขับเน้นม า, มากๆเลยเพราะสภาพที่ไม่ก้าวล่วงเนี่ยุศลศีลตรงนี้สําคัญมากฉะนั้นผลปรากฏก็คือว่าในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญารู้ว่ากุศลศีลปรากฏกุศลศีลปรากฏในใจหรือไม่ปรากฏในใจ ไปประับเน้นในปัญญาของผู้รู้ปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายก็เห็นว่าตอนนี้เราไม่มีความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นความไม่เดือดร้อนใจในขณะนั้นนั่นแหละเป็นกุศลศีลเขาให้ผลทันทีเลยเนี่ยเขาแบบมีกําไรเกิดขึ้นแล้วคือเอาวิปฏิสารแล้วจะได้กําไรต่อมาก็คือว่าปราโมดและกําไรก็จะตามมา เ, เรื่อยๆปิติปสัสสติความสุขสมาธิแล้วก็เป็นที่ตั้งของยะถาปูรดยา น, นัศนะคือปัญญาที่ไปแท้ตลอด สัจจะคือรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นผลที่ปรากฏเพราะมีศีลเป็นเหตุความไม่เดือดร้อนใจเป็นผลและก็จะมามีสมาธิเป็นผลในการต่อไปเหตุใกล้ก็คือหิริโอตปาหิริโอตป ะ, ออรต ป, ะประธานนังก็คือมีหิริโอตปาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเมื่อหิริโอตปามีอยู่ศีลก็เกิดขึ้นเพราะบุคคลเมื่อมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อทุจริตเนาะ ละอายต่อบาปแล้วก็เกรงกลัวต่อผลของบาปด้วยย่อมสมาทานศีลแล้วศีลย่อมเกิดขึ้นเพราะความสะอาดนะความละอายแล้วก็ความเกรงกลัวต่อกายทุจริตวิจีทุจริตเกรงกลัวต่ออาญาทั้งหลายที่ตนเองจะได้เกรงกลัวต่ออบายภัยทั้งหลายที่ตนเองจะประสบเกรงกลัวต่อวัตฏะทั้งหลายที่ตนเองจะไปตกประกรรมลำบากในฐานะเป็นคนร่วงละเมิดสิขาพุทธหรือไม่มีศีล ศีลมีอยู่ด้วยอำนาจในการสมาทานไว้ก็ตั้งอยู่ด้วยอำนาจแห่งอวิติกรรมะอวิติกรรมะก็คือสภาพที่ไม่ก้าวล่วงอย่างแน่นอนเมื่อมีหิโยติหโยตปาศีลก็ย่อมเกิดขึ้นถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีหีโยตปาศีลก็ไม่เกิดแต่ถ้าหีโยตปาเนี่แหละเป็นเหตุใกล้ของศีลให้สังเกตดูนะตัวเหตุใกล้สําคัญมากทําไมเราไม่ทําชัว่วทางกายทางวาจาเพราะละอายตบาา ทำไมเราไม่กล้าทําชั่วทางกายทางวาจาเพราะเรากลัวตอบผลของบาปที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเช่นเรากลัวว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ม, มันเป็นอกุศุลกรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะเบียดเบีย น, ย น, ยนกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายในการต่อไปเราจะเจ็บปวดก็พราะความเป็นผู้ผรู้ศีลพอหิรีโอตปาทํางานแรง ก, ก, ก็ก็มาพิจารณาตัวฮิรีโอตปะเป็นเหตุใกล้ของศีลเป็นต้นได้เลยทีนี้ประการต่อมาก็คือว่า มาพิจารณาเลยนะว่าหลักการที่เราจะทําให้กุศลศีลเกิดขึ้นก็คือการถ้าเรามองอย่างนี้นะียอา น, นิสงส์ของศีลความไม่เดือดร้อนใจใช่ไหมอันนี้เป็นปัจจุบันผลกุศลจินบา ท, ที่เป็นปฏิบักษ์ต่อวิปฏิสานด้วยความเดือดร้อนใจเมื่อพิจารณาถึงศีลที่ตัวรักษาเป็นราบของเราเป็นราบของเราแล้วเนาเราได้ดีแล้วหนอศีลของเราบริสุทธิ์เนาเนี่ยพอพิจารณาอย่างเนี้ยปลาโมดคือ ตาโมดเกิดปีติก็เกิดกโภคะสมบัติและมีความเป็นชื่อเสียงเป็นต้นนั้นก็เป็นอนิสงฆ์ในการต่อมาแล้วภริยาตรัสว่าดูก่อ น, นะนอนน์ขึ้นหาบดีนะอ น, นิสงฆ์ห้าปย่างย่อมมีแก่ท่านผู้มีศีล่อถึงพร้อมด้วยศีลแล้วก็ทําให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ได้แก่ก็คือผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยในโลกนี้ยอมประสบโภคะกองใหญ่เพราะเหตุแห่งความไม่ประมาทให้สังเกต ด, ดูนะในปัจจุบันนี้ไม่ประมาทมีความเพียนที่เป็นวิริยะเนี่ยนะ มีสติด้วยไม่ประมาทแล้วก็มีปัญญาในการสสแสวงหาทรัพย์ได้ด้วยเนาะและอย่างวิพุธมีศีลด้วยแล้วกรณีในกรณีที่ได้เคยเจริญทานกุศลไว้ศีลกุศลไว้ในอดีตพอมามีทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ประมาทในปัจจุบันด้วยโควคาก็มากขึ้นถึงพร้อมได้ศีนีกข้อหนึ่งเจตสัสอันงามก็พุ่งกระจอนไปในรายละเอียดทีนี้นีผู้มีศีลถึงพร้อมได้ศีนจะเข้าหาบริษัทใดไม่ว่าจะเป็นขติยาบริษัท พรรมนาบริษัทขึ้นหาบดีบริษัทสรรมน้าบริษัทย่อมเป็นผู้องค์อาจในการเข้าไปปราศจากความกลัวความหวั่นเกรงหาข้อตีเตียนไม่ได้ก็เลยไม่เกื้อขืนนี่นี่คนมีสีนเข้าไปในบริษัทไหนชื่นใจอันนี้อันนี้ไม่ใช่มาแก้งยกย่องกันเอามาถามถามปกตินอันนี้ขอพูดในเรื่องส่วนตัวนิดพูดถึงเรื่องยงยิงานด เพื่อม า, มารู้จักพอสมควรแล้วก็เพออื่อนเนี่ยนี่นมาก็ถามมีโยมีมีคนที่ขับรถมาก็ถามเออเนี่ยเวลาไปไประชุมเวลาเธอไปประชุมไ ป, มไปยังไงโอ้โหพระ้าจานเนี่ยบางทีเนี่ยผู้ผู้ชายเนี่ยน่ากลัวทั้งนั้นเต็มหมดเลย <c oughs> อางทีไปทํางานไปตามที่ต่างๆต่างนี่วมดเนี่ยรถเนวลา ลูอ่องอย่เดียวเจ้านายนั่งเวลาไปนั่งปุ๊บเวลาไปพูดอะไรดูไม่เก้อเขินเลยดูมั่นใจตัวเองแล้วก็พูดอธิบายที่ปุ๊บปับุ๊บปั๊ที่แรกนี่นะอันนี้ก็พูดจริงๆยกตัวอย่างให้เห็นามาก็มานั่งนึกเต้ยอมผู้หญิงคนนี้มั่นใจอะไรตัวเองนในขนาดนี้มาก็มาตรวจสอบอ๋อสีนี้เองเป็นเครื่องมั่นใจของคนปกติใช่ไหมคนเราจะเข้าไปใน แ, แวดวงของคน ในกรณีการทำงานอะไรต่างๆถ้าไม่มีกุศลศีลนะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรักษายและตนเองก็ไม่มีปืนผาหน้าไมา้ไม่มีเครื่องพุคุ้มกันเลยในการเดินทางไปทำงานเนี่ยนี่ไงกุศลศีลและได้เย็นยอมท่านเดงเคยพูดออกมาบางว่า หม่การทำระการภัยไว้กับพระรัตนตรัยไปที่ไหนปลอดภัยแท้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เบคพูดให้เห็นว่าศีลเนรักษาหืมั่นใจมั่นใจไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวที่ไปกลัวทำไมถ้าชีวิตจะตายลงในวันนั้นเราก็มีสติเราก็ได้ดี เพราะเรามีศีลเราไม่ทุ่ศีลเราไม่เคยคดโกงใครเราไม่เคยไปทําพุจริตเราไม่เคยไปช่อลาดบังหลวงยังไม่ได้ไปคอร์รัปชันไม่ได้ไปช่อลาดบังหลวงใดๆเลยเราทําดีมาจเจริญกุศลศีลมาถ้าลงให้ใจจะขาดเพราะภัยอะไรต่างๆมาถึงเ้าก็ไม่กลัวเขาเลยทำที่ป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนคนเขาถามปัญหาวันก่อนว่าภัยสึนามิเนี่ยทาไมว่ไม่น่ากลัวหรอก ภัยคือราคาโทสะโมหะนี้น่ากลัวใช่ไหมถ้าแผ่นดินภายนอกมันถล่มขนาดไหนก็ไม่น่ากลัวไอ้น่ากลัวคือแผ่นดินภายในยที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจเนี่ยถ้ามันพังไปไนี่ยังน่ากลัวกว่าแผ่นดินภายนอกถล่มเนะเห็นไหมว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้มันวิบัติได้ตลอดเวลาดินภายในหรือดินภายนอกเนี่ยให้รู้ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่ามันก็คือดินเนะ มันมีความไม่เที่ยงแบบนี้มันมีความเป็นทุกข์อย่างนี้มีความเป็นอนัตตาแบบนี้ฉะนั้นอย่าให้ถ้าใค้ควรพิจารณาเข้าใจจริงๆแล้วจะได้ตั้งท่าทีถูกว่าแผ่นดินถลมมาจากอุปโภรกรรมอยังไงทั้งภายในและภายนอกเนี่ย กุศลกรรมปนานปฏิบาทเบียดเบียนยังไงอทินนาทานเบียดเบียนยังไงกาเมศุวิชาจารมุสาวาปิสุนาวาจาพรุรษวาจาสมเผารปราปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิมันเบียดเบียนทั้งดินภายนอกภายในนี่แหละสัตว์ทั้งหลายก็เดือดร้อนกันรุ่มเร่ารุ่มเร่าเพราะทุศีนไงฉะนั้นถ้าเรามีศีนจะไปกลัวอะไรใช่ไหมถ้าตายวันนี้เราก็ได้ดีฉะนั้นศีลให้ความไม่เดือดร้อนใจด้วยแล้วก็เป็นผู้ไม่ข้านคามในบริษัทต่างๆไม่เก้อเขินด้วย พูดถึงพร้อมได้ศีลย่อมเป็นผู้ไม่หลงตายนะคนหลงตายก็คือใกล้ตายแล้วหลงเนี่ยเขาเห็นไหมล่ะคนใกล้ตายแล้วหลงเนี่ยมีจิตผ่องใสไม่มีความอเดือดร้อนในใจที่เราไม่ได้ทําความดีความงามเขาไว้เป็นต้นพูดถึงพร้อมได้ศีลมีศีลหลังจากตายเพราะกายแตกแล้วเนี่ยก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือโลกที่ดีนั่นแหละมีผลอันยิ่งใหญ่ผลอันโลโอล้านก็มีเทวคตินะเดเม อา น, นิสงส์ขศีลมีเยอะมากชำระมนทินก็ได้ด้วยการเข้าไปสงบความเร่าร้อนก็ได้โดยกระจรไปกลิ่นหอมทวนลมเป็นต้นภาวะเป็นอุบายเครื่องการบรรลุสวรรค์และเป็นปัจจัยเกิด ก, การบรรลุพระนิพพานด้วยและเป็นเครื่องประดับเป็นอลังการละดีกว่าแก้วมณีแก้วมุกดาที่เราสวมใส่กันอีกเยอะแยะมากและยังกำจัดภัยด้วยนะภัยในการตีเตียนตนเองภัยในถูกคนอื่นตีเตียนทำให้เกียรติ ทำให้มีเกียรติและความปราโมทและปีติศีลก็ทําให้เป็นผู้มีเกียรติและมีความร่าเริงเป็นต้นเหลนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็คือลักษณะของกุศลศีลทั้งหลายเหล่านี้นะอันนั้นส่วนในเรื่องของอั น, นิสงส์ของการรักษาศีลก็ไปตรวจดูในรายละเอียดเนะนะี่ยถ้าไม่เข้าใจเจอท่านผู้รู้ที่ไหนก็สอบถามรายละเอียดไปที <c oughs> นี้มาสรุปประเด็นหน่อยนะในชั้นของคาสอนซึ่งเราจะต้องขัดเน้นในในด้านของปฏิโมกสังวรศีล อินเดียสังวรศีนอาชีวะปริสุทธิศีนและปัจจยาสันนิสิตศีนเนี่ยในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้จะที่นี้ในการรักษาศีลเนี่ยนะมี2ส่วนส่วนของจาริตศีลและวาริตศีลในส่วนของปฏิโมกสังวรศีลกลุ่มต่างๆ Ά, า อ, าอาชีวะปริสุทธิ์อินเดียสังวรศีนอาชิวะปริสุทธิศีนปัจจยสันนิสิตาศีนเนี่ยนะโดยเฉพาะส่วนของปฏิโมกสังวรศีนเป็นส่วนของวาริตศีนส่วนจาริศีนเนี่ยทัศคารวาทั้งหลายในที่นี้ก็เอา กลุ่มของทิศก็คือหลักธรรมที่ควรประพฤติกับกรือหัสกระือหักเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีท่านใช้คาว่าขีพเพศเนเพศของผู้ของเรือนเนี่ยแต่กรือหักนี้เป็นสันสกฤิ เพเป็นประโยชน์ในการจะนําไปใช้ในชีวิตการอยู่ร่วมกันในครอบครัวในสังคมเป็นต้นการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างอย่างถูกต้องรู้จักคํำนอบธรรมเนียมประเพณีทําให้เป็นผู้มีความเจริญในศีลเป็นต้นอันนี้เป็นเจตนาศีลที่จะเป็นไปเก่การรักษาสังเกตดูนะว่าการที่จะรักษาที่จะยึดโยงกันได้นะ่ะจะต้องเป็นไปในหลักของสาราียธรรมและก็สังคหวัตถุสี่อย่าง ก็คือว่ามีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความรักความปรารถนาดีเอื้ออาทรแบบจับจีบจับใจในการที่จะทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในการที่จะเชื่อมโยงต่อการระหว่างพ่อกับแม่แม่กับลูกทั้งหลายต่างๆเนี่ยนะตลอดถึงบุตรภรรยาเออบุตรกับบุตรกับพ่อแม่ก็ดีตลอดถึงตนเองกับครูบาอาจารย์ตนเองกับเพื่อนตนเองกับมิตร ตลอดถึงผู้ตายคนข้าวบัญชาและพระพุทธเจ้าสาวกพระุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมสาธสนานพกีการสลาการแบ่งปันศีลสำมัญญาตาก็คือการมีศีลที่พิจารีศีลและวลิตรศีลที่มีความสมดุลกันโดยเฉพาะข้อสุดท้ายสําคัญก็คือทิฏฐิกรรมศกตาสิมมาทิฏฐิมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีและอย่างถูกต้องกรนี้นอย่างนี้เป็นหลักยึดโยงแกการปฏิบัติตนในทิศทั้ง6นะ ไอ้ตรงนั้นก็สังหาวัตถุก็คือให้สังเกตในชั้นของคําสอนเนี่ยที่บอกว่าทานปิยะวาจาอัตถจริยาสมาณะตาพอบอกว่าทานเนี่ยคำว่าทานอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ในชั้นของถ้าดูในลักษณะหาละของในด้านของเนติในนี่นะในเห็นเนติบุคกรนี่นะถ้าพูดถึงทานในสัญหาวัตถุพูดถึงทานเนี่ยต้องรวมถึงปิยวาจาด้วยการกล่าววาจาวิธีล้อเล็กด้วยอัตถจริยาการบระพุตประโยชน์ด้วย สมานะ ต, ตาการวางตัวให้วางตนให้เหมาะสมด้วยฉะนั้นการกล่าว1อย่างอีก3อย่างไม่ได้กล่าวชื่อว่ากล่าวแล้วฉะนั้นการการปฏิบัติในคําสอนเพราะกล่าวเรื่องทางเนี่ยศีลชื่อว่ากล่าวด้วยอะไรอย่าง น, นี้แต่เราก็ต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของทางและศีลนี้ให้ชัดส่วนวาริตศีลก็เริ่มตั้งแต่ไหนละ่ะการบําเพ็ญศีขาบทตามที่ภพรมศาสดารทรงบัญญัติไว้ สิ่งนี้ไม่ควรทําชื่อสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรวาลิตาศีลกับบุคคลย่อมป้องกันคือรักษาซึ่งสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามด้วยศีลเครียกวาริตเราเขาแปลว่าศีลเป็นเครื่องป้องกันศิกขาบทที่ทรงห้ามวาลิตาสาเร็จด้วยศรัทธานีศรัทธาเป็นเครื่องในสําเร็จพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณกับพิจารณาหินสัตว์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามจริตศีลแล้วแต่ไม่ได้พัฒนาขัดเกลา ตนเองให้เข้าถึงวาริตตพระองค์ก็สมาประธานทั้งจาริตตศีลและวาลิตศีลให้ให้สังเกตดูนะว่าเป็นกรรมทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าดูในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าในสุภาษสูตรนะที่ในมัชฌิมนิกายเป็นต้นที่สอนเดดสุภามาณพที่สอนในเรื่องของกรรม นะว่าคนเกิดมามีรูปสวยรูปไม่สวยมีปัญญาสามปัญญาดีมีโรคภัยไข้เจ็บมากมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีไปต้นนะฮะมีทรัพย์มากมีทรัพย์น้อยเป็นต้นเหล่านี้อย่างนั้นสอนขับเน้นที่อดีตกรรมขับเน้นที่อดีตกรรมแต่พอสอนสิงคาและวสูตรในสอนแย่สิงคาเรามานพสอนในเรื่องของทิศ6ในการปฏิบัติต่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติต่อญาติมิตร และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวาวสาวะคุปติเจ้าอันนี้ขับเน้นตัวปัจจุบันกรรมก็คือจาริตะอันนี้เป็นกรรมทั้งหมดเลยเหไหมจาริตศีลก็เป็นกรรมวาริตศีลก็เป็นกรรมเป็นเจดนากรรมขับเน้นกุศลกรรมไม่ใจไปปฏิบัติต่อแม่หน้าดังําเทียงหน้านิว่วคิ้วขบวดอันนี้เป็นอกุศลกรรมนะเวลาจะปฏิบัติจัดเท้าให้คุณแม่หให้แม่ก็ ก็ไกยกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นไปกับกุศลเป็นไปกับศีลนะไม่ใช่แม่จะกินแล้วไม่กินวางไว้ตรงนี้อันนี้เรียบร้อยเลยใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องไปดูไปสังเกตนะ <c oughs> ข้าเข้าแม่นั่งงงเลยเยอมากไม่รู้ใครเป็นแม่เป็นลูก <c oughs> ถามยังมาเจอพระอยู่ถามพระอยูบอกไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ ตั้งแต่โลกโตขึ้นมาไม่รู้โลกเพีย้ยนเมือดิชั้นเพี้ยนถามมาเขาบังคับดิฉันเรื่อยเลยเป็นเงินจะอยู่ก็ตรงนี้บ่งบอกว่าจารีสีต้องชัดนะต้องชาติเพราะเป็นกุศลกรรมครับเน้นนะจารีสีเป็นกุศลกรรมนะถ้าในขณะทํ า, าเป็นอกุศลกรรมนั้นไม่ใช่จารีสีและนะเป็นอกุศลและเป็นอกุศลและเป็นบาปเลยเจตนากรรมที่ขวางไปในผิดพลาด แล้วจะพัฒนาสู่วาลิตะเด่นจะพัฒนายัางไงถ้าจารีตไม่บริบูรณ์วาริตก็ไม่บริบูรณ์ใช่ไหมจักบริบูรณ์ไม่ได้ไอตรงนี้ก็ไปไปฝึกขัดเกลากัให้ดีนะวเวลาจะเอาไปใช้จริงๆเนะ่ยขับเน้นการเอาไปใช้ได้จริงนะไม่ใช่นั่งเรียนแล้วหรือนั่งฟังพระธรรมไปเสร็จกลับไปบ้านกะทินโวปูรู้พระพูดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> กลับไปยังไปถามเพื่อแล้วบอกบอกเองรู้มไหมไม่รู้เหมือนกัน ยุ่งเรียบร้อยอะไรเงี้ยคือต้องเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติให้ได้ต้องขอดความคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเาเอามาไปปฏิบัติให้ได้จริงฉะนั้นในกรณีแห่งวาริตรศีลก็เนี่ยให้เป็นที่พึ่งให้สัตว์นั้นมีสถานะกุศรศีนี่จึงเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภยัยสัตว์เหล่านั้นน้อมนามาปฏิบัติและนำตนออกจากอบายภูมิได้นะออกจากอบายภูมิออกจากความเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตย์ฉานในจริง ออกจากสังสารวัตรได้จริงออกจากวัฏฏุกได้จริงแล้วเป็นบันไดเป็นปัจจัยในการถึงพระนิพพานได้จริงเริ่มตั้งแต่ปนนาณนาติบาที่เนะีเจตนาคิดจะฆ่าสัตว์เป็นยังไงอธินนาทานจิตทีคิดจะลักทรัพย์เป็นต้นมู้สาวาตในการปีสุณาวาจาพุทสวาจามัสมัพปละปะในรายละเอียดบอกไว้หมดเลยนั้นตรงเนี้ยในรายละเอียดบอกไว้ในรายละเอียดเยอะแยะหมดเลยจนถึงมิจฉาทิถีนั่นแหละ ท่าสิง8ปดก็นาจคีตวาปิเตอรวิการาโพชนานาจคีตวาอุโบสถตศิลก็ก็เกี่ยวข้องกันไว้ท่านหลายก็ไปดูกันอันไหนที่ผิด พ, พาช่วยตรวจด้วยเพราะการต่อไปได้ขับเน้นออกมาทำเป็นตําลาในการที่จะได้เอามาอ่านกันนี้ดีตัวเนอนนี้นตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องก็ช่วยเป็นดูนะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะ ช่วตรวจสอบแล้วก็เสนอเนีแน้แงมุมต่างๆต้องการจะขับเน้นจะได้เป็นประโยชน์ว่าเออชาวพุทธจะได้เจริญทานกุศลเป็นแล้วก็เจริญศีลกุศลเป็นเป็นต้นทีนี้ลักษณะอีกกรณีาการที่เราจะเข้าใจคําสอนการสมาทานเนี่ยนะศีลของอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านี้สมาทานรวมกันไว้ก็ได้หรือสมาทานแยกส่วนอันนั้นก็ไปดูในรายละเอียดขาดและขาดทั้งหมด เป้าหมายในวันนี้ที่ต้องการขับเน้นก็คือว่าขับเน้นการรักษาศีลของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าปฏิบัติในศีลอย่างไรสาวกของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเราจักปฏิบัติในศีลกันอย่างไรให้สังเกตลักษณะแห่งศีลนอบรมีของพระโพธิสัตว์นะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีอัธยาศัยในศีลพระมหารโรก็ย่อมละอายความแล้วก็ย่อมจะ ก, กลัว ทำอัลามกคือบริษัทไหนท่านละอายและท่านกลัวมากแสดงว่าหิริโอตปาท่านมีกําลังสูงมากตรงนี้เราได้มุมและถ้าเราปรารถนาจะมีศีลจะลรักษาศีลจะปฏิบัติในศีลได้จริงต้องขับเน้นให้มีฮิริโอตปาอย่างแรงกล้า <c oughs> ฮิริโอตปาอย่างแรงกล้าในการที่จะฆ่าสัตว์ในการที่จะรักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาบและเพ้อเจอ้อตรงนี้ก็ไปพิจารณาดูนะเรามีไหม <c oughs> ถ้าไม่มีทํำยังไงจะให้มีนะทํำยังไงถึงจะให้มียิริโอตาปการเข้าใจคําสอนของพระเจ้าการฟังพระธรรมไม่เกิดความเข้าใจจะได้เกิดความกลัวบาปแล้วก็ละอายชั่วครัวบาปมาพิจารณาว่าเราในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระชินเจ้าของพระพูธมีพระภ่าเจ้าแล้วเนี่ยการ ท, ที่จะกระทําเช่นนี้ไม่สมควรแก่เราเนะ ไม่สมควรแก่เราและการที่เราจะทำกายยทุจริตวจีทุจริตและก็สำคัญที่สุดธรรมโนทุจริตให้มีการเพ่งโลภอยากได้ของเขามาเป็นของตนพยาบาทปองร้ายเขาคิดเบียดเบียนเขาต้องการอยากจะเข็นข่าเขาให้เขาวิบัติมีความเห็นผิดมีความเห็นผิดอย่างรุนแรงเป็นต้นไม่สมควรเลยฉะนั้นพระบริษัทท่านจะมีความละอายชั่วกลัวบาปมากต่อทำที่ลามก ราคะโทสามโมหนะนั้นเป็นธรรมที่ลามกเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในธรรมที่งามมีศีลก็ไม่โอ้อวดนะไม่มีมายาด้วยซื่อตรงก็ว่าง่ายประกอบพิธามันเป็นเครื่องว่าง่ายด้วยอ่อนโยนน่ยมีระหูตาวมุธรุษเออมีมีควา ม, มาว่ามีความสงบของจิตนะมีความเบามีความอ่อนโยนเนี่ยนะอ่อนโยน ไม่อ้วนไม่มีมายาซื่อตรงว่าง่ายประกอบด้วยธรรมที่ไปเห็นวันว่าง่ายอ่อนโยนไม่กระด้างอะไรนาะเป็นเหตุให้เรากระด้างทิฏฐินะทิฏฐิและมานะเนี่ยทำให้เราสัตว์ทั้งหลายกระด้างฉะนั้นเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นเหตุทําให้เรากระด้างทําให้ใจของเราเนี่ยมันตรวจทิฏฐิหรือ ด, ดีเยอะเนี่ยเราก็ต้องละแล้วไม่ดูหมิ่นท่านไม่ถือเอาของคนอื่นแม้เพียงที่สุด แม้เส้นยาคาของคนอื่นก็ไม่น้อมมาเอาเป็นของตนเองเห็นไหมใจท่านเบามากนะฮิโอตาปะทํางานสูงมากอย่าว่าจะไปโกงเขายหยาบๆเลยแม้เส้นยาคาที่เป็นของบุคคลอื่นก็ไม่น้อมที่จะตัดเส้นยาคาของบุคคลอื่นมาเอาเป็นของตนเองเข็มเล่มเดียวก็ไม่เอานะเข็มเล่มนก็ไม่เอาของอะไรจะเล็กเท่า เช่นผมก็ไม่น้อมเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองเลยหรือเมื่อคนอื่นลืมไว้ในที่อยู่ของตนก็บอกให้เขารู้บอกให้เขารู้มอบให้โดยไม่เอาของคนอื่นนะเก็บไว้นะไม่เป็นผู้โลภมากไม่ใช่โอ้ยมีแต่ความโลภวันๆถูกความโลภรัดลึงจิตใจเผารนเร่าร้อนยึดจักรเวลาไม่ใช่เลยพระบริษัทว์จะไม่เป็นอย่างนั้นนั้นเรานับถือพระบรมศาสดาตามท่านสิ สมาทานไว้การจากไม่กลาวหลวงพระโพธิสัตว์ไม่มีจิตลามกในการถือเอาของบุคคลอื่นเว้นการนะทำลายหญิงเป็นต้นพูดจริงไว้ใจได้สมาสมานคนที่แตกกันนะคนเขาแตกแล้วกันนะ่ยพระโพธิสัตว์ก็ดีเนะี่ยพยายามจะไปพูดให้คนเขาดีกันสามัคคีกันเข้ากันได้นะไม่ให้คนแตกแยกกัน เพิ่มสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้พูดน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเราสังเกตดูที่เราเป็นแบบนั้นไหมพูดน่ารักยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสพูดเป็นอัดพูดเป็นธรรมพูดอะไรก็มีหลักฐานอ้างอิงพูดมีเหตุมีผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีความอยากได้ไม่มีจ